เสร็จแล้วพอวันที่สองอลูกสาวเสียทีก็ไปขอบอกวันนี้เธอจะเอากี่ส่วนบอกสองส่วนพอเอามาสองส่วนก็มาแบ่งให้แม่ตัวเองก็เหลือไว้กินครึ่งเดียวให้แม่กินหนึ่งครึ่งแม่ก็ตกคืนนั้นก็ตายอีกอนะพอแม่ตายก็เสียอกเสียใจร้องให้ทีนี้พอไปถึงก็ไปขอบอกวันนี้เธอจะเอากี่ส่วนบอกเอาส่วนเดียว ไอ้นายที่เจ้าหัวหน้าโรงทานนี่ก็เลยบอกเธอเนี่ยเพิ่งรู้จักประมาณตัวเองวันนี้หรือก็เลยด่าใหญ่เลยเนี่ยนะก็ด่าลูกสาวเศรษฐีไอ้ลูกสาวเศรษฐีก็อายอายบอกเกิดมาไม่เคยถูกด่าแบบนี้นะก็อายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างงี้ก็เล่าทั้งหมดให้ฟังไอ้คนหัวหน้าคนนี้ก็เลยรักลูกก็ในสงสารบอกเอาเธอไม่มีที่ไปเธอไปเป็นลูกสาวคนโตของฉันแล้วกันก็ไปแต่งตั้งให้เป็นลูกสาวคนโต นีไอ้โรงทานเนี่ยมันดังเจียวเจ้าเจียวจ้าไปหมดอ่ะนะพอไปอยู่หลายๆวันเข้าบอกพ่อทําไมพ่อให้คนมันเจียวเจ้าขนาดนี้ทําให้มันเงียบเงียบไม่ได้เลยเขาบอกโอ้ทำไม่ได้หรอกลูกมันแย่งกันอย่างงี้แหละพ่อก็ทํารั้วสิให้คนมารับอาหารเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแบบเราจองตัวรถเห็นไหมแล้วก็วางทําเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องให้คนมันเรียงแถวไปเสียงมันก็เงียบแค่นั้นแหละพ่อเออน่าจะคิดได้อย่างนี้ตั้งนานก็เลยไปทํารั้วแบบนั้น เสียงมันก็เลยเงียบเพราะคนมันเดินตามแถวใชไ่ไปรับอาหารมาจากฆ่ากรฆ่าก่รฆ่าก่รมัาแย่งกันแบบนั้นไม่มีแล้วทีนี้ก็เลยรับอาหารไปทีนี้โคโสกาสเศสตีบอกเอ้ยโรงทานของเรามันเงียบทําไมไม่มีคนมารับทานของเราหรือไงมันเงียบผิดปกติอะเมื่อก่อนนะเสียงเจี๊ยวเลยตอนนี้ไม่มีเสียงเกิด อ, อะไรขึ้นก็เลยเรียกหัวหน้านั้นมาก็เลยถามว่าทําไมมันเนี่ยเขบอกว่าเนี่ยลูกสาวเขาแนะนำให้ทํารัว้วเนี่ยํารรั้วก็คือแบบช่องอะนะ ช่องรับทานเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เศรษฐีก็เอะใจเฮ้ยฉันแกมีลูกสาวที่ฉันไม่เคยรู้จักด้วยหรือก็เออะอะเนี่ยนะก็เลยเล่าความจริงให้ฟังวันเนี่ยมีเศรษฐีมาแบบนี้แบบนี้เฮ้ยนั่นมันลูกสาวเพื่อนข่าไปเอาไปเอาลูกมาเนี่ยลูกข่าก็เลยมาแต่งตั้งเป็นลูกสาวคนโตแล้วก็รักลูกคนนี้มากเพราะความที่นางทํารั้วเป็นก็เลยชื่อว่าสามมาวดีฉลาดทํารั้วเนี่ยนะก็เลยชื่อว่าลูกนางสามมาวดี นี่ก็เอามาแต่งตั้งเป็นลูกสาวแล้วก็รักมากให้ลูกน้องดูแลเลยเรียกว่าจ้างหญิงรับใช้เ น, นี่ยห้าร้อยนางเนี่ยมาคอยดูแลเป็นหญิงที่มีบริวารมากคนหนึ่งเนี่ยนะมีลูกบริวารเนี่ยคอยดูแลอุปถัอุประมาณห้า้อยนางตอนหลังก็ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเพื่อพนางสา ม, มาวดีในฝ่ายโคสกะเศรษฐีเนี่ยก็เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองโกสัมพีเนี่ยนะที่เมืองโกสัมพีเนี่ยมีเศรษฐีอยู่สามคนใหญ่ๆก็คือโคสิตะเศรษฐี กุกุตะเศรษฐีแล้วก็ปาวาริกะเศรษฐีเนเศรษฐีผู้ใหญ่อยู่สามคนเศรษฐีทั้งสามคนแล้วปกติเขาเป็นกุลุ ป, ปกะเออเขอไปเป็นโยมอุปถาของฤษีประมาณห้าร้อยเนี่ยนะอุปถากฤษีประมาณห้าร้อยฤษีห้าร้อยที่อยู่ที่เชิงภูเขาคือทีนี้มีอยู่ปกติแล้วฤษีเนี่ยช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยฤษีจะเข้ามาเนี่ยนะจะเข้ามา ช่วงใกล้ๆหน้าเข้าจำพรรษาจะเข้ามาจำพรรษาในเขตเมืองเนี่ยนะก็จะเดินทางมาจากภูเขาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาหารมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาเพื่อจะได้เสพรสเปรี้ยวรสเค็มพอมาเนี่ยปกติก็จะมาอยู่ประมาณสักสองสามเดือนแล้วก็กลับไปอันนั้นมาอยู่สามสเดือนแล้วก็กลับไปก็เป็นปกติอย่างเงี้ยมาหลายปีทีนี้มีอยู่ปีหนึ่ง เสร็จทั้งพวกหรือสีนี่ก็เดินทางกันมารอนแรมมาระหว่างทางพอมาถึงก็ก้าวถลําไปทางกันดารก็แปลว่าเดินผิดทางนิดหน่อยเรียกว่าเดินนอกเส้นทางระหว่างทางก็กันดา น, น้ําหาน้ําดื่มไม่ได้ น, นี่เข้าใจเลยนะสมมติถ้าใครที่เรียกว่าเป็นเร า, าพระธุดงค์ผ้าอะไรก็ตามเถอะชอบเที่ยวไปตามป่าเนี่ยถ้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้จริงบางทีไปเนี่ยเราก็มีน้ําไปแค่กระติกเดียวใช่ไหมถ้าแบกไปมันจะแบกน้ําไป เยอะแยะได้ยังไงก็หิวน้าไปสักลิตรครึ่งเนี่ยนะก็ชันน้ําไปเรื่อยๆถ้าเดินยิ่งร้อนมากก็ยิ่งชันน้ํามากเพ้นใบใบน้ําจะหมดพอดีน้าน้ำหมดทําไงกันดีเนี่ยก็ถ้าไปเจอน้ําระหว่างทางก็กรองดื่มกันต่อไปก็ว่ากันไปแต่นี้ฝ่ายฤศีนี่ก็พร้อมแล้วเนี้ยหัวหิวโซแล้วนะไม่มีน้ําหมดก็ไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งก็เลยคิดว่า เออต้นไทรต้นนี้ต้นไทรแบบนี้ต้องมีเทวดาสิงสักท่านแน่นอนโอ้ดีเนาะถ้าเทวดาแบ่งน้ําดื่มน้ําอาบให้เราบ้างว่างั้นเทวดาก็รู้อัธยาศัยอีกนะเทวดาใจดีก็เลยสง่งเคราะห์ฤาษีด้วยอนุภาพก็เลยออกมาจากคาคบเนี่ยนะบรรดาลให้มีน้ําหลั่งออกมาแล้วก็พวกฤาษีก็เอาภาชนะเนี่ยนำมาตักน้ํา ฤษีก็เลยคิดว่าโอ้ดีเนาะเทวดายังให้น้ําดื่มแก่เราเห็นไหมน้ำเมตเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยขอให้เขาแบ่งอาหารให้เราบ้างเถอะเนี่ยนะเทวดาก็เลยเอาอาหารที่เป็นของทิพออกมาให้เเคี้ยวกินเนี่ยนะเอามาให้เคี้ยวกินเป็นต้นนี่ฤษีก็ไปคิดว่าโอ้เทวดาเนี่ยให้ของเราทุกอย่าง ดีนะถ้าเทวดาแสดงตัวให้เราเห็นบ้างจะเป็นการดีมากเลยเนี่ยนะอยากเห็นเทวดาเทวดาใจดีให้ทั้งน้ําให้ข้าวแล้วก็ให้อาหารโอ้ดีเหลือเกินอยากเห็นเทวดาเทวดาพอเห็นปั๊บก็เลยก็บอกว่าท่านนะท่านทําบุญอะไรมาท่านจึงได้สมบัติเห็นป่านนี้ น, นะได้เป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่อาศัยอยู่ต้นไม้เนี่ยนะก็ถือว่ามีฤทธิ์มากมีเดชมากเนรมิตน้ําได้ความต้องตามความต้องการ เทวดาเขบอกอย่าถามเลยบอกหน่อยเธอบอกว่าทาบุญมานิดหน่อยเองอายอยากบอกเท่าไรหร่ดอกมันท่านทําอะไรบอกว่ารักษาอุโบสถครึ่งรักษาอุโบสถครึ่งวันเหมือนกันรักษาอุโบสถมาครึ่งวันก็เล่า ว, ว่าว่าอุโบสถของท่านเป็นยังไงก็บอกว่าเขาเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นคนทุกขตะเขินใจเป็นคนยากจนก็ทํางานหาเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งนี่พอทํางานเลี้ยงชีพไประดับหนึ่งมันก็เหนื่อยอ่นะ เริ่มเหนื่อยก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะมีงานประจําเพราะว่าถ้ามีงานประจํารับใช้เจ้านายไปจนแก่ๆแล้วนายก็คงเลี้ยงเราอะนะแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็คงแก่ๆไปใครจะมาเลี้ยงดูเราตัวคนเดียวอย่างไงี้ยก็เลยไปสมัครเป็นคนงานอานาถาาบ้านอานาถาปินฑิกะเศรษฐีก็ไปถึงเศรษฐีก็รับนะบอกจะทําอะไรเป็นมั่งก็อาชีพตัดฟืนขายบอกเอางีา้แล้วกำแพงก็ตัดฟืนต่อแล้วกันแต่ตัดฟืนเข้าบ้านเนี่ย น, นะก็เป็นรับยังรับอาชีพเดิมก็คือตัดฟืน ทีนี้ก็ทํางานไปหลายวันอยู่วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถทีนี้คนงานบ้านเนี่ยปกติเขาจะรักษาอุโบสถกันหมดโดยที่สุดแม้ค่าทาส ก, กรรมกรลูกเล็กเด็กแดงจับรักษาอุโบสถหมดก็บอกว่าลูกเล็กอ่ะก็บอกว่าพอถึงก่อนเที่ยงนี่ก็จะให้ดื่มนมเสร็จแล้วก็เอาน้ําล้างปากหลังจากนั้นก็จะให้อาจจะให้น้ําพึ่งน้าอะไรให้เด็กดื่มไปแต่ก็จะให้เด็กรักษาอุโบสถตั้งกับกเรียกว่ารักษาตั้งกับเบบี้เล็กเน้อยนเลยนะรักษาอุโบสถกันมาตลอดเลยนะ พ่อแม่เราทํางี้ว่างอเ่ายกลัวลูกกจะอดตายกันทําไม่ได้หรอกเสร็จ แ, แล้วไอ้วันนั้นเป็นวันอุโบสถใช่ไหมเขาก็คนชายคนนี้ก็รีบกินข้าวแต่เช้าแล้วก็ห่อข้าวไปกินกลางวันเนี่ยนะแต่เขาทำงานเอาจริงเอาจังมากเนียนะทำงานเอาจริงเอาจังทำงานทั้งวันตกตอนเย็นเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วเศรษฐีเขาเลกได้เอ้ยคนงานใหม่เนี่ยมันรู้ไหมว่าวันนี้วันอุโบสถทุกคนเขารักษาอุโบสถมีใครบอกเขาไหม ถามแม่ครัวแม่ครัวบอกมีใครบอกเขาเลยบอกเอาละกันเธอทําอาหารไว้สํำรับหนึ่งนะทำอาหารวัปกติวันนั้นอะเที่ยงไปเขาจะไม่ทําอาหารก็ทําทอาหารรอไว้สําหรับเดี๋ยวไอ้ชายคนนี้กลับมาจากป่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาหารมีให้เรากินคนเดียวคนอื่นเขาไปไหนกันหมดเขาไม่กินกันหรือไงก็ไปถักเงียบสนิทเลยก็ไปถามแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถทุกคนรักษาอุโบสถ เศรษฐีเขาท่านสั่งให้ทําอาหารไว้ให้ท่านเพราะท่านยังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านยังไม่รู้ธรรมเนียมของบ้านบอกเอออุโบสถมันเป็นยังไงอุโบสถเนี่ยฉันอยากจะรักษาอุโบสถรักษาได้ไหมนะคือมันก็มีบุญเก่ามาเหมือนกันนะก็ได้ฟังคําว่าอุโบสถก็อยากรักษากับเขามั่งนะเศรษฐีก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้ว่ารักษาได้หรือไม่ได้แม่ครัวช่วยไปถามเศรษฐีให้หน่อยเศรษฐี แม่ครัวก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีบอกรักษาได้แต่ว่ารักษาได้ครึ่งเดียวนะเพราะอะไรเพราะตอนเย็นเลยนะจะได้อุโบสถกึ่งเดียวก็แม่บ้านคนนี้ก็กลับไปบอกชายผู้ชายชายคนงานใหม่เนี่ยนะก็บอกว่าสามารถรักษาได้แค่ครึ่งเดียวเออครึ่งเดียวก็เอาไม่ยอมกินเลยนะเขาบ้วนปากแต่แล้วก็สมาทานอุโบสถตกคืนนั้นเนี่ยนะก็กรหิวเป็นโรคลมนะนะหิว นิวมากก็เลยลมมันเสียดแทงก็ตายตายแล้วก็ตอนเช้าก็ตายนะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ต้นใสต้นนี้แหละด้วยผลของอุโบสถครึ่งเดียวเนี่ยเป็นเทวดามีวิมานใหญ่โตเลยนะวิมานใหญ่ใญโตแต่ว่าสิงอยู่ที่ต้นใสเนี่ยนะเเป็นเทพพบุตรอยู่ต้นใสเพราะอุโบสถครึ่งเดียวคัามที่จริงก็เลยไม่ก็อยากบอกเท่าไหร่ว่าอุโบสถครึ่งเดียวเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะทางบ้านเขารักษาโบสถกันมาเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆลาสิปีไอเราเพิ่งวันเดียวเนี่ยนะไอไม่ได้วันเดียวครึ่งเดียวเพราะงั้นก็ถือว่าอายนะถ้าจะจํานวนคนรักษาศีลทั้งหลายแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเขามีสาระคมมีความรู้มีความเข้าใจอาจจะไปเป็นเทวดาชั้นสูงกว่านั้นแต่ว่าเทวดาต้นสายก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ฤาษีคือจากคําบอกเล่าเนี่ยมันจะมีถ้อยคําที่พาดพิงถึงพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ ฤสีก็ถามว่าท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมเทวดาก็บอกว่าใช่อานะก็ปีติดีใจมากว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกคือตอนนั้นเนี่ยจริงจริงแล้วก็มีข่าวคราวว่า พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเขามีข่าวดังอยู่แล้วเนี่ยนะว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดในโลกนะเรื่องเรื่องราวทั้งหลายก็ระบือว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐีเออหรือสีทั้ง500รอยเนี่ยได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็ดีใจมากพอดีใจก็ถามว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนบอกนู่นอยู่กรุงสาวัตถีพักในวัดเชตวันนู่นเพราะฉะนั้นเ อ, เอาเถอะเดี๋ยวเราทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ในะระหว่างทางมันต้องผ่านเมืองโกสัมพีก่อนก็เลยเข้าไปในเมืองโกสัมพีเนี่ยนะเข้าไปในเมืองโกสัมพีพวกเศรษฐีทั้งหลายก็มาต้อนรับเนี่ยนะพวกเศรษฐีโกนะโคสิตาเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีแล้วก็กุกุตาฤศีทั้งหล่ะอ่าไม่ใช่กุกุตะเศรษฐีเนี่ยนะปาวาริกะเศรษฐีก็ออกมาต้อนรับเนี่ยนะต้อนรับนิมนต์ถวายอาหารพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะพวกฤศีฉันเสร็จก็บอกลาเลย ปกติจะต้องมาอยู่เป็นสามสี่เดือนให้บอกลาทําไมรีบไปนักเขบอกว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกเราเองไม่รู้ว่าชีวิตมันจะอายุยืนยาวขนาดไหนไม่แน่ใจว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีอายุยืนยาวหรือไม่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายขอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยนะก็เลยต้องรีบไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ารออยู่ไปสองสวันเกิดตายขึ้นมาอดเฝ้าพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยนะ อย่างที่บางคนก็อย่างว่าเฮ้ยอายุแก่ๆก่อนแล้วค่อยศึกษาธรรมะเป็นต้นเนยะยากเขามีหลายคนบอกโอ้ยอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีเขาจะเริ่มศึกษาธรรมะแมอยังก็ว่าคุยกับร่างกายรู้เรื่องงั้นแหละนะอย่างก็คุยกับร่างกายรู้เรื่องถ้ายิ่งอายุมากๆเข้าด้วยยิ่งไม่แน่นียนะยิ่งแบบถ้าป่วยก็ป่วยเร็วใช่ไหมสุดก็สุดเร็วมากถ้าอายุมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะหกสิบเไปแล้วเนี่ยถ้าเริ่มไม่สบายลม้มล้มหมอ น, นอนเสือพับแป๊บเดียมันนก็็เปแล้ว เนี่ยนะไอ้ที่ว่าดูแข็งแรงแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็เป็นอย่างนั้นก็มีโยมหลายคนมาเรียนธรรมะด้วยเรียนไปเรียนมาอีกภาคหนึ่งอ้าวตายละคนหนึ่งตอนแรกก่อนเลยอายุ70กว่าตายคนที่สอง80กว่าก็ตายเนี่ยนะนะ แต่คนที่3มเนี่ยแหมเขาบอแข็งแรงตอนหลังก็กระสอบกระแสะขับรถมาไม่ไวแล้วก็อดฟังธรรมคือมันเหตุปัจจัยที่จะทําให้ฟังธรรมมันค่อนข้างยากเนี่ยนะมันใครที่แบบแหมผัดวันประกันพรุ่งกินข้าวผัดก็ผัดจริงๆอะไรผัดไปเรื่อยนะผัดแล้วผัดเหล้าอดไปเนี่ยนะถ้าพลาดชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเขาเดือดร้อนแล้วอย่างนั้นเถอะเพราะถามว่าทําไมเพราะโอกาสมันยากเนี่ยนะ ถามว่าถ้าเราจะมาเกิดในโลกใหม่เนี่ยเอาเกิดในโลกเนี่ยไปเก mm ิดตรงไหนจะได้เรียนอริยเรียนอริยศาสตร์เรียนคําสอนอ่านพระไตรปิฎกไปอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนเนี่ยนะมันพูดยากเหมือนกันนะว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะได้เรียนอริยศาสตร์บอกว่าตรงนั <Kristen> ้นสิตรงนี like ้สิแล้วตรงนั้นมันจะมีตลอดไปไหมล่ะทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเมื่อทุกอย่างมันชั่วคราวเราจะไปฝากผีฝากไข่ไว้ตรงไหนว่างั้นเถอะไปฝากจิตฝากใจไว้ตรงไหนว่ามันจะแน่นอนใช่ไหม ว่าลุงเรืองเขาเกิดนั่งรถจากสะแก้วมาไม่ได้จะทำไงก็อดฟัง น, นียก็ลำบากนะมาบ่น่าคนแน่นไปหมดรอรถอยากเอาลใครให้ไปไปได้ใช้สักหน่อยลุงเรืองันก็มันก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ให้ดีๆเนี่ยนะมไม่งั้นเราก็โอกาสมันยากเขาก็คิดกันอย่างนี้ทั้งนั้น น, นะคนที่เขาเห็นคุณของพระตนะตรัยเนี่ย เสร็จแล้วพวกเศรษฐีทั้งหลายก็บอกโอ้ยพวกฤาษียังเร่งรีบขนาดนี้เราก็จะไปเหมือนกันบอกว่ารอก่อนแล้วกันเดี๋ยวพวกผมจะไปด้วยฤาษีทั้งหลายก็บอกพวกท่านเป็นมหาชนอยู่ครองเรือนรอก่อนเถอะข้าพเจ้าจะไปก่อนเพราะท่านมวัวจะจัดของเสร็จนะถึงไหนถึงไหนกันแล้วเพราะฉะนั้น ยากและเกินเนี่ยนะกว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องเอากองเกวียนโอ้ยจัดระเบียบเรื่องโคเรื่องบริวารเรื่องสั่งเสียคนงานบางทีครึ่งเดือนไม่รู้ได้ไปหรื อ, ร อ, อยังไม่รู้ว่าวางแผนใหญ่มากเหมือนพระนะพระนึกอยากไปอา้าวมีธุระสาคัญนะ่ยอา้าวไปได้เลยเนี่ยนะต้องไปลาอะไรใครไหมมันก็ไม่มีอะไรนะมาไปเก็บข้าวเก็บของมันก็ไม่มีอะไรให้เก็บเท่าไหร่มันก็ไปแป๊บเดียวมันก็ไปได้แล้เพราะฉะนั้นก็ไปวันหลังก็แล้วกัน